สร้างเรือนใจเพื่อมาสร้างอาหารอย่ารักษาโลกเครื่องนุ่มหอมให้แก่จิตใจเพราะชีวิตของพวกเรานั้นมีอยู่สองส่วนด้วยกันคือมีร่างกายและมีจิตใจร่างกายของเราก็มีความต้องการที่อยู่อาศัยอย่ารักษาโลก เครื่องนุ่งห่มและอาหารฉันใดใจของเราก็ต้องการอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าของทางจิตใจนี้ไม่เหมือนกับของทางร่างกายเพราะร่างกายเป็น เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนใจเป็นธาตรู้ใจไม่มีรูปไม่มีร่างเหมือนกับร่างกายที่มีรู ป, ปร่างปัจจัยสี่ของร่างกายจึงไม่เหมือนกับปัจจัยสี่ของใจปัจจัยสี่ของร่างกายก็คือบ้านที่วาศัยอาหารข่าวหวาน ชนิดต่างๆยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่ส่วนอาหารของใจนี้ก็คือการให้ทานเรียกว่าการทำบุญให้ทานเครื่องนุ่งห่ของใจก็คือศีลที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธิความสงบยารักษาโรคใจ ก็คือปัญญาสิ่งที่พวกเรากําลังขาดแคลนกันก็คือปัจจัยสี่ของใจปัจจัยสี่ของร่างกายพวกเรามีพอเพียงกันแล้วเรามีบ้านอยู่เรามีอาหารรับประทานเรามีเครื่องนุ่งหง่มเรามียาวักษาโรคแต่สิ่งที่เราขาดกัน มากก็คือปัจจัยสี่ของใจเราขาดอาหารเราขาดเครื่องนุ่งห่มเราขาดที่อยู่อาศัยและขาดยารักษาโรคใจใจของเราจึงไม่ค่อยเป็นปกติกันใจของเรามักจะมีความหิวมีความอยากอยู่เรื่อยๆเพ ร, ร, ราะไม่ค่อยได้รับอาหารของใจ คือการทำบุญให้ทางใจของเราไม่สวยงามก็เพราะว่าเราไม่รักษาศีลกันใจของเราไม่มีที่พึ่งที่หลบจากความวุ่นวายต่างๆก็คือสมาธิใจของเราขาดยารักษาโรคที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆ มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวุกเท่านั้นที่มีปัจจัยสี่ของใจครอบท่วน บ, รบูรณ์ใจของท่านจึงไม่หิวไม่อยากกับอะไรใจของท่านจึงเป็นใจที่สวยงามเพราะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมีแต่ความเมตตากรุณา ใจของท่านไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆเพราะท่านมีที่หลบจากเรื่องราววุ่นวายคือความสงบญาใจของท่านไม่เครียดไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่เป็นบ้าไปกับเรื่องราวต่างๆก็เพราะท่านมียารักษาโรคใจคือปัญญานี่คือปัจจัยสี่ที่พระพุทธเจ้า ท่ง ส, สอนให้พวกเรามาสะสมกันให้มากให้ครบถ้วนบริบูรณ์ว่าถ้าเราได้ปัจจัยสี่ของใจครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดการอนันตาการไม่มีวันสิ้นสุดเราจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ว่ารุ่นต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางบุคคลหรือเหตุการณ์จาธรรมชาติเช่นพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือเหตุการณ์ของคนที่ต้องต่อสู้กันต้องฆ่าฟันกันใจของเราจะไม่มีความ เดือดร้อนไม่มีความเครียดกับเรื่องราวเหล่านี้เลยเพราะใจของเรามีที่หลบภัยมีบ้านที่ปลอดภัยมียารักษาความเครียดความทุกข์ต่างๆจนไม่มีความเครียดความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามพวกเราจึงต้องมาสร้างปัจจัยสี่ ข้อแรกที่เราทำกันอยู่เสมอก็คือการทำบุญให้ทานอย่างที่วันนี้ท่านได้มากระทำกันได้ได้นำเอาข้าวของต่างๆเอาเงินทองมาถวายให้กับพระภิกษุสามเณรมาถวายให้กับวัดนี่เป็นการให้อาหารแก่จิตใจเวลาให้แล้ว ใจจะเกิดความอิ่มเอิบใจขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาเพราะอาหารของใจก็คือทานนี้เองถ้าเราไม่ให้ทานแล้วเรารับประทานอาหารเฉพาะแต่ของร่างกายรับประทานไปเท่าไหร่ก็ยังไม่อิ่มไม่พอรับประทานไปไม่นานสักชั่วโมง ก็เดี๋ยวก็อยากจะกินอีกแล้วอยากจะรับประทานอีกแล้วเห็นขนมนมเนยเห็นอะไรก็อยากจะรับประทานนั่นเป็นเพราะว่าใจหิวแต่ร่างกายไม่หิวร่างกายไม่อยากจะรับประทานแต่ใจอยากจะรับประทานใจก็เลยซื้ออาหารซื้อขนมมาให้ร่างกายรับประทานส่วนใจก็ยังหิวอยู่อย่างนั้นเพราะใจไม่ได้อาหาร ของใจเราต้องให้อาหารของใจเช่นทุกครั e ้งที on <S <s the ่เราอยากจะกินขนมนมเนยที่ไม่จําเป็นจะต้องกินไม่ต้องรับประทานคือเรารับประทานอาหารแล้วแล้วยิมอยากจะรับประทานขนมนมเนยเครื่องดื่มต่างๆก็ขอให้เราเก็บเงินเหล่านี้ไว้เพื่อเอามาทำบุญจะดีกว่าเอามาทาบุญ แล้วใจของเราจะได้มีความอิ่มบ้างหรือถ้าเราจะซื้อขนมนมเนยก็ซื้อได้ซื้อแล้วแต่เราอยากกินเองเราไปให้คนอื่นเขากินอย่างนี้ก็จะทำให้ใจของเรามีความอิ่มขึ้นมาเพราะเราได้ทำบุญให้ทานนั่นเองการทำบุญให้ทานนี้นอกจากการให้ข้าวของเงินทองแล้วเรายังสามารถ ให้อย่างอื่นได้เช่นเราถ้าเรามีวิชาความรู้เช่นรู้จักวิธีทํากับข้าวรู้จักวิธีเย็บเสื้อผ้ารู้จักรู้จักรู้จักวิชาอะไรก็ตามถ้าเราเอาไปถ่ายทอดไปสอนคนอื่นโดยที่เราไม่คิดเงินทองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ทานอย่างหนึ่ง เรียกว่าวุฒิยาทานถ้าเราให้เข้าของเงินทองเรียกว่าวัตถุทานถ้าเราให้ธรรมะเช่นเราพิมพ์หนังสือธรรมะมาแจกให้แก่ผู้ผลิตแผ่นซีดีมาจากให้แก่ผู้อย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมทานการให้ทั้งสามอย่างนี้มีการให้ธรรมทานนี้ เป็นการให้ที่เหนือกว่าการให้วัตถุทานหรือวิทยาทานเพราะธรรมะนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองยิ่งกว่าวิชาความรู้ต่างๆของทางโลกเพราะเป็นวิชาที่ไม่สามารถเอาตัวรอดได้คือไม่สามารถรักษาใจหรือป้องกันใจ ไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้อาหารหรือวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆก็เช่นเดียวกันไม่สามารถดับความทุกข์ของใจได้มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ของใจได้ถ้าเราให้ธรรมะแก่ผู้อื่นก็เท่ากับเราให้น้ำที่จะไปดับไฟ ระดบความทุกข์ของใจของเขานะท่านนั้นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทัง้งปวงถ้าถามว่าอยากจะทำบุญอย่างไรในบรรดาการให้ทานให้ข้าวของให้วิชาความรู้และให้ธรรมทานพระเจ้าทรงตัดว่าให้ธรรมะนีดีที่สุดได้บุญมากที่สุดแต่ก็ ควรจะใช้ปัญญาพิจารณาดูความจำเป็นด้วยว่าผู้รับนั้นเขาขาดแคลนอะไรเขาจำเป็นเขาต้องการอะไรไม่ใช่ไปให้ในสิ่งที่เขาไม่ขาดแคลนเช่นเขาขาดแคลนอาหารเราก็ควรให้อาหารเขาก่อนไม่ใช่จะให้แต่ธรรมะไปเพราะธรรมะถึงแม้ว่าจะดีจะวิเศษอย่างไรแต่ถ้าร่างกาย ไม่สมประกอบไม่สบายก็จะไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ดัง น, นั้นก่อนที่เราจะให้อะไรเราก็ต้องดูความจำเป็นของคนที่รับว่าเขากำลังขาดแคลนอะไรถ้าเขาขาดแคลนอาหารขาดแคลนที่อยู่อาศัยเครื่องนุง่งห่มยารักษาโรคเราก็ควรให้เขาไปถ้าเขาขาดแคลนวิชาความรู้ เช่นเด็กอยากจะเรียนหนังสือแต่ไม่มีทุนการศึกษาเราพอที่จะสนับสนุนให้ทุนการศึกษาเขาได้เราก็ให้เขาไปแต่ถ้าเขามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพอเพียงมีทุนการศึกษาสิ่งที่เราควรจะให้ก็คือธรรมะเพราะเขายังไม่มีธรรมะเขายังไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ นี่คือการให้ทานชนิดต่างๆที่เราจะให้กันได้และควรจะใช้ปัญญาพิจารณาดูความเหมาะสมของผู้รับว่ากำลังเดือดร้อนขาดแคลนเรื่องอะไรเราก็ให้เรื่องนั้นไปบางคนถวายข้าวของโดยไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาพิจารณาอยากจะถวายอะไรก็ถวายไป จนกระทั่งบางทีมันก็มากจนเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั้นก็ควรจะพิจารณาดูว่าผู้ที่รับนั้นเขาขาดแคลนอะไรเราก็ควรที่จะให้สิ่งนั้นไปแล้วเราจะได้บุญและผู้ที่รับก็จะได้ประโยชน์จากการให้ของเรานี่คือเรื่องของอาหารของใจ ขอเรให้เราพยายามให้มากๆให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าตอนนี้เราให้ร้อยละสิครั้งต่อไปเราก็ให้ร้อยละยีสคือร้อยละ20ของรายได้ที่เรามีอยู่ที่เราทํา ง, งานได้เดือนละเบอรเราตอนนี้เราทําบุญเดือนละพันคทั้งต่อไปเราก็พยายามทําให้มากขึ้นเป็นเดือนละสองพันเดือนละสามพัน ทำไปอย่าเก็บเอาไว้อย่าเอาไปใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้กับเราเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความสุขของเราเป็นความสุขของกิเลส ข, ของความโลภของความอยากแต่เป็นความทุกข์ของใจเพราะใจจะต้องนิ่มโดนคอยหาเงินหาทองมาเลี้ยงกิเลสอยู่เรื่อยๆซื้อมาเท่าไหร่ ได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่มีความอิ่มความพอไม่เหมือนกับอังเนที่เราจะไปเลี้ยงกิเลสนี่มาทาบุญถ้าทาบุญแล้วใจของเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขจะไม่หิวไม่อยากได้อะไรที่ไม่จำเป็นแต่ถ้าเราไม่ทำบุญแล้วใจของเราอยากจะได้ของทุกอย่างที่เราชอบที่เราเห็น เห็นอะไรที่เราชอบเราก็อยากได้ทันทีทั้ทงๆ ท, ที่ไม่มีความจำเป็นคือเราไม่ซื้อมาไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ตายแต่เนื่องจากใจมีความหิวเพราะขาดอาหารคือการทำบุญให้ทานจึงเห็นอะไรก็อยากได้ขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้ก็จะกะวนกวายกระสับกระส่ายหงุดหงิดลำคาญใจ ต้องไปซื้อมาจนได้นี่คือการใช้เงินที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจไม่ได้ทำให้เกิดความสุขใจถ้าต้องการความสุขใจจากการใช้เงินก็เอาเงินนี้มาทำดุญให้ทงจะทำกับวัดก็ได้ทำกับคนที่เป็นคารวาก็ได้ที่เขาเดือดร้อนหรือคนที่มีพระคุณ เช่นทำกับพ่อกับแม่กระดาษทากับครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้กับเรานี่เป็นการตอบแทนบุญคุณเป็นความกตัญญูกตเวทีทําแล้วจะทําให้เรามีความสุขและทําให้เรามีความภูมิใจที่เราได้ทําความดีซึ่งเราจะไม่ได้รับถ้าเราไปซื้อข้าวของที่ไม่จําเป็นเอามา เพราะว่าความรู้สึกนั้นจะไม่เกิด น, นี่คือเรื่องของการให้อาหารใจคือเรียกว่าการทำบุญให้ทางอาหารใจแล้วเราก็ต้องหาเสื้อผ้าอภรรที่สวยงามมาให้ใจสวมใส่เสื้อผ้าอภรรของใจคืออะไรก็คือศีลนี่เองศีลนี้จะทำให้ใจนั้ น, น้า เป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีคนเราสวยงามไม่ได้สวยที่ร่างกายร่างกายถึงแม้จะสวยอย่างไรถ้าใจไม่สวยก็จะไม่ทาให้ผู้ที่รู้จักเรานั้นเกิดความชื่นชมยินดีเกิดความประทับใจอาจจะเกิดความยินดีตอนช่วงใหม่ๆแรกๆเพราะยังไม่รู้จักนิสัยยังไม่รู้จัก ใจว่าเป็นอย่างไรเวลาเราเห็นคนเขาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยๆงามๆเราก็จะยินดีจะชื่นชมแต่พอเราได้อยู่ใกล้เขาเราเห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมความสวยงามของร่างกายนั้นก็จะหมดความหมายไปเพราะเราจะไม่ชอบคนที่ไม่มีศีลมีธรรมนั่นเอง ใคยอยากจะอยู่กับคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใคยอยากจะอยู่กับคนที่ชอบรักษรัพชอบประพฤพติผิดตัวเองนี้ชอบโกหกหลอกลวงชอบดุสุรายามันไม่มีใครชอบที่จะอยู่ใกล้กับคนแบบนั้นเพราะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นนั่นเองแต่คนที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักษรัพไม่ประพฤพติผิดตัวเนี้ไม่โกหกหลอกลวง ไม่ดูสุรายาเราจะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมจะเป็นคนที่มีคนอยากจะอยู่ใกล้ชิดด้วยนี่คือความสวยงามที่แท้จริงของเราต้องสวยที่ใจไม่ใช่สวยที่ร่างกายร่างกายก็พอดูแลให้พอไปวัดไปวาได้ก็พอไม่ต้องถึงกับ ให้ดรูหาสวยงามมาก น, นเหมือนกับไปเล่นละครหรือเล่นลิเกอาบนาำแต่งตัวให้สะอาดวิ่งผ้าวิ่ผงผมให้เรียบร้อย mm hmm. ก็ถือว่าพอแล้วความสวยงามของร่างกายเรามาแต่งความสวยงามของใจดีกว่าด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่คือความสวยงามของใจอาพรของใจ ส่วนที่อยู่อาศัยที่หลบไปของใจก็คือสมาธิความสงบถ้าใจเราไม่มีความสงมบมเวลานมีเหตุการณ์ที่รุ่มร้อนที่ทำให้ใจเรารุ่มร้อนเราก็จะไม่มีที่หลบใจเราจะรุ่มร้อนทรมานไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเช่นเราไปประสบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนา โดนคนเข้าด่าโดนคนเข้าว่าใจของเราก็จะร้อนขึ้นมาหรืออยู่ใกล้กับเหตุการณ์ที่น่าอายน่ากลัวทั้งหลายใจของเราก็จะเครียดจะวุ่นวายแต่ถ้าเรารู้จักนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้เวลาใจเข้าไปในสมาธิแล้วก็จะไม่รับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นภายนอกใจ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายนอกเวลาอยู่ในสมาธินี้ใจจะไม่ถูวกกดอนจะไม่วุ่นวายเหมือนกับมีบ้านหลบแดดหลบฝนเวลาฝนตกเวลามีพายุมาถ้าเราหลบเข้าไปในบ้านเราก็จะปลอดภยัยจะไม่ได้รับผลกระทบจากฝนหรือพายุแต่ถ้าเราไม่มีบ้านไม่หลบเวลาเกิดฝนหรือเกิดพายุ เราก็จะต้องรับอย่างเต็มเต่มขัในใดใจของเราก็เหมือนกันในชีวิตของเราแต่ละวันนี้เราจะต้องพบกับเหตุการณ์ต่างๆ ท, ที่ทำให้เรามีความว้างวุ่นขุ่นวัวมีความเครียดมีความกังวลมีความวิตกมีความวุ่นวายใจต่างๆถ้าเราไม่มีสมาธิแล้วใจของเราก็จะไม่มีที่หลบ แต่ถ้าเรารู้จักทำสมาธิเช่นเรารู้จักปฏิกรรมพุทธโธพุทธโธไปทั้งวันอย่างนี้เวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนาเราก็ปฏิกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่สบายใจเช่นคนด่าเราหรือคนแกล้งเราหรือเจอคนที่เราไม่ชอบเจอคนที่เราเกลียด เราก็อย่าไปมองเขาอย่าไปคิดถึงเขาให้คิดแต่พุทธโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วใจของเราก็จะไม่เครียดใจของเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักบริกรรมพุทธโธไม่รู้จักทำสมาธิพอเห็นอะไรขึ้นมาที่ไม่ถูกอกถูกใจใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีดังนั้นเราจึงควรมาสร้าง ที่หลบภัยให้กับใจก็คือสร้างสมาธิขึ้นมาด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแต่การนี้ที่หลบภัยนี้ก็จะหลบได้เพียงชั่วคราวเพราะในชีวิตความจริงบางทีเราก็ไม่สามารถหลบได้ถ้าเช่นนั้นเราก็ต้องใช้ยารักษาโรคเครียดคือต้องใช้ปัญญา ปัญญานี้จะทําให้เราปล่อยวางไม่ทุกไม่เครียดกับเหตุการณ์ต่างๆโดยที่ไม่ต้องหลบเข้าไปในสมาธิเช่นเราเจอได้สิ่งอะไรที่เราไม่ชอบเช่นคนด่าเราอย่างนี้ท่านก็สอนให้เราพิจารณาว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ปากของคนอื่นนี้เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้เราอยากไปอยากไม่ให้เขาด่าเราเท่านั้นเอง ถ้าเราไม่ได้อยากให้เขาด่าเราแล้วเขาจะด่าอย่างไรเราก็ไม่เดือดร้อนปัญหาของพวกเราคือเราอยากให้เขาชมแต่ไม่อยากให้เขาด่าเราพเพราะก็ด่าเราเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากให้เขาด่าเราเวลาเขาด่าเราเราก็จะไม่ผิดหวังเราก็จะดีใจเหมือนกับเวลาที่เราอยากจะให้เขาชมเรา พอ เ, เขาชมเราเราก็จะดีใจอย่างนั้นวิธีแก้ความความเครียดความทุกข์จากการที่ถูกคนดา่าก็คือให้เราหัดชอบให้เขาดา่าอยากให้เขาดา่าถ้าเราอยากอะไรแล้วเราเราได้ดังใจเราก็จะมีความสุขใจเหมือนคนที่ชอบกินพริกเวลาได้กินพริกเขาก็มีความสุขใจแต่ถ้าคนไม่ชอบกินพริกไม่อยากกินพริก พอเขาเกินพริกเข้าไปเขาก็จะทุกข์ใจขึ้นมาปัญหาของพวกเราจึงอยู่ที่ความอยากหรือไม่อยากนั่นเองเราจึงต้องมาแก้ถ้าเราอยากอะไรเราก็อยากไปอยากเราไม่อยากอะไรเราก็หักอยากเพราะถ้าเราอยากอะไรแล้วเราไม่ได้ตามความอยากเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่อยากอะไรแล้วเราได้ในสิ่งที่เราไม่อยากเราก็จะทุกข์ใจ เช่นอยากให้เขาชมแล้วเขาไม่ชมเราก็เสียใจอยากไม่ให้เขาด่าเราพอเขาด่าเราเราก็จะทุกข์ใจดังนั้นเราต้องสลับกันต้องอยากไม่อยากให้เขาชมแล้วก็อยากให้เขาด่าเราแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขเพราะว่าเวลาคนชมเราเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาคนด่าเราเราก็จะไม่เดือดร้อน พอเราอยากให้เขาด่าแล้วพอเขาด่าเราเราก็จะสมใจนี่คือการใช้ปัญญาเราต้องมาแก้ที่ใจเราคืออยากไปอยากหรือไม่อยากให้ทาใจเราเฉยเฉยคือไม่ให้ยินดียินร้ายไม่ให้ชอบไม่ให้ชังเห็นอะไรก็เฉยเฉยให้รู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเราไป ทำอะไรไม่ได้เราไปสั่งให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่เราสั่งใจให้รับเขาได้ถ้าเราไม่มีความรักความช่ำเวลาเราเห็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือการการการสร้างยาขึ้นมาคือสร้างปัญญาปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ใจของเราจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายเพราะใจเราจะอยู่เฉยๆเป็นกลางไม่ได้อยากหรือไม่อยากนี่คือเรื่องของปัจจัยสี่ที่จะมาดูแลรักษาใจของพวกเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าเราจะเจริญในลาภยศสรรเสริญหรือสุขหรือเราจะเสื่อมใน ลาบยศสรรเสริญหรือทุกหรือว่าร่างกายเราจะเจริญหรือจะเสือ่อมเช่นจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีปัญญาพิจารณาว่าเราไปห้ามร่างกายไม่ได้ร่างกายเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ใช่ของเราเขาไม่ใช่ตัวเราเราเป็นเพียงเจ้าของชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นสมบัติถอเป็นสมบัติชั่วคราว ไม่นานไม่ช้าก็เรวเราก็ต้องส่งไปที่วัดเวลาคนตายแล้วเราก็ไม่เก็บเอาไว้เราก็ส่งไปที่วัดกันเป็นสมบัติของวัดไปดังนั้นถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่เครียดไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราถ้าเราทำบุญให้ตามเราก็จะไม่หิวไม่หยกับสิ่งต่างๆ ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะเป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีคนชอบชื่นชมยินดีถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีที่หลบความเครียดต่างๆหลบความวุ่นวายต่างๆจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงหันเอาเวลาของท่านนี้มาสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจ อย่ามัวแต่สร้างปัจจัยสีให้กับร่างกายเพราะร่างกายนี้ไม่ต้องการปัจจัยสีมากจนเกินไปพอมีพอกินพออยู่ได้ก็พอแล้วให้เรามาสร้างปัจจัยสีทางใจกันจะดีกว่าเพราะเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์และมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด การแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัและหมุนกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ย่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอ